จเจริญพรท่านผู้บริหารครับก็บบพนักงานทุกๆ ท, ท่านนี่เป็นครั้งที่สองที่หลวงพ่อมาเทศที่นี่ที่นี่โอเคนะคือธรรมะ ม, มันไม่ใช่เรื่องฟังเล่นสนุกๆ น, นะธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะงนั้นถ้าเราฟังเล่นเรื่อยเื วาหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้แล้วจะบอกว่าธรรมะไม่ดีจริงพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงพูดไม่ได้หรอกถ้าเราฟังธรรมแล้วเราเอาไปปฏิบัตินะเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ใช่ของเด็กเล่นไม่ใช่ของจะมาเล่นๆงั้นการฟังธรรมเนี่ยที่นี่หลวงพ่อให้ผ่านนะ ได้คะแนนดีมากเลยเพราะว่าดีตั้แต่ผู้บริหารลงไปพวกเราต้องจือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งพวกเรามีบุญนะบางหน่วยงานเนียเือตาแทบกระเด็นเลยว่าผู้บริหารมันไม่ดีเอารัดเอาเปรียบลูกน้องอะไรเงี้ยนะใจแคบที่นี้สัมภาษณ์ดูแล้วก็ผู้บริหารเขาดีจริงลูกน้องยังมีความสุข ก่อนอื่นนะก่อนที่หลวงพ่อจะเทศเดี๋ยวเรามาตกลงกติกากันก่อนเวลาฟังเทศเนี่ยธรรมะที่หลวงพ่อเทศเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพานนะท่านก็สั่งสาวกไว้ว่าธรรมะของท่านเนี่ยพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาทแทนพระองค์ท่านงั้นการฟังธรรมะนะเราต้องทําใจว่าเรากําลังฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่งั้เราต้องฟังด้วยความสงบเนียความสํารวมนะ อย่างพวกเราบางคนชอบถ่ายรูปอะไรนี้นะเลิกเลิกซะนะเวลาฟังธรรมไม่ใช่เวลาถ่ายรูปแล้วนะเป็นเวลาตั้งออกตั้งใจฟังมือถือใครยังไม่ได้ปิดเสียงก็ปิดซะนะมันรบกวนคนอื่นอย่าพอโทรศัพท์มันดังนี่นะใจเราวอกแวกใจคนข้างๆเขาวอกแวกด้วยเนะี่ยเขารับกระแสธรรมะได้ไม่ดนะีบาปกรรมมันตกแก่เราเจ้าของโทรศัพท์นะงั้นเราต้องสำรวมต้องระวัง สิ่งที่พวกเราจะต้องมาศึกษากันในเรื่องของธรรมะเนี่ยจุดใหญ่ๆเลยก็คือทํำยังไงเราจะสามารถพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้พระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งมาสู่เรื่องความพ้นทุกข์เป็นหลักเลยนะท่านจะสอนเรื่องทุกข์เป็นยังไงนะแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นยังไงนะการปฏิบัติของท่านนะก็มีขั้นมีตอนนะตั้งแต่ธรรมะสําหรับอยู่กับโลก อยู่กับโลกยังไงให้มันทุกข์น้อยๆจนถึงธรรมะว่าทํำยังไงจะอยู่เหนือโลกที่เรียกโลกุตระธร ร, รมโลกุตระธร ร, ร ม, มีจริงๆโอกาสที่คารวะอย่างพวกเราจะเข้าถึงมันก็มีไม่ใช่ไม่มีโลกุตระธรรมไม่ได้เป็นของที่สงวนไว้สําหรับพระเท่านั้นอย่างขั้นโสดาสกตาคาอะไรเนี่ยคารวะทาได้ไม่ยากอะไรขอให้มีศีลห้าเท่านั้นแหลนะถ้ามีระดับศีลห้าเนี่ยเราทําได้หรอโสดาสกทาคา ถ้าอยากสูงกว่า น, นั้นนะสีเนื้อท้องประเนื้อเคลื่อนไปอีกอย่างคนที่จะเติรนธนาคารมีมรักอะไรเนี่ยถธอสีแปดได้จะไปได้ดีแล้วขั้นแตดหักเนี่ยถ้าเป็นนักบวชได้ดีที่สุดเลยเป็นฆราวาสทายากแต่ว่าไม่ใช่ฆราวาสทําไม่ได้สมัยพุทธกาลฆราวาสเป็นพระอราหันต์ก็มีแต่ส่วนมากท่านจะเป็นกันตอนใกล้จะตายแล้วคล้ายไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไงแล้วนะใจก็ยอมปล่อย ตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ค่อยยอมปล่อยฆราะวา่าน้อยน้อยคนนะแต่ก็มีฆราวาสที่บรรลุพระอรหันต์จำนวนหนึ่งท่านก็บวชเลยส่วนหนึ่งท่านก็ปรินิพานไปเลยแต่ขั้นต้นๆโสดาสกตาคาอะไรนะอย่างพวกเรานี้ทําได้ถ้าเรารู้วิธีแล้วเราลงมือทําให้สมควรแก่ทำจุดแรกก็คือรู้วิธีอันที่สองก็คือปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำรู้วิธีแล้วไม่ลงมือทํา หรือทำหยอหยอแยะแยะแล้วเขไม่ได้กินหรอกกิเลสไม่กลัวเลยก็ต้องทำกันให้จริงจังหน่อยการทำจริงจังก็ไม่ใช่ว่าจะลำบากยากแค้นคนอย่างพวกเราก็ทำได้ถ้าตั้งใจจะทำะไม่ได้ลำบากมากมายอะไรพี่ลึกพี่ลั่นต้องกินข้าวมื้อเดียวต้องอดข้าวต้องอดนอนต้องไปอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในบ้านมีสามีมีภรรยามีลูกมีอะไรอยู่นี่แหละ ก็ทำของเราได้นะถ้าเรารู้วิธีแล้วเราตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวที่จะทํเพราวันนี้เราจะหลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังนะวิธีที่เราจะปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของคําว่าไตรสิกขาท่านเองหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเรื่องของการรักษาศีลนะการฝึกจิตให้มีสมาธิแล้ว ก, ก็การใช้จิตที่มีสมาธิแล้วไปเจริญปัญญาขอบเขตที่ท่านสอนมีอยู่เท่านี้เองนะ กระจายออกไปให้ละเอียดก็เป็นมรคมีองค์8ปดศีลสิกขาด้วยตัวศีล น, นะก็มีตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมาคัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรเนี้ยตัวปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปะเนะี่ยถ้าพวกเราย่อๆนะย่อๆยังไม่ต้องเรียนถึงองค์8เรียนแค่ศีลศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาอย่ามรกง่ายว่าศีลสมาธิปัญญานะ ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นผลจากศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราทําเหตุศีลสิกขาเนี่ยเบื้องต้นให้เราตั้งใจไว้ก่อนเบื้องต้นต้องคอยบอกตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีลห้าคอยเตือนตัวเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข How ้าวกลางวันก็ตั้งใจอีกว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกว่าวนนจะรักษาศีลห ก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์เราก็ตั้งใจวนะ่าคืนนี้เราจะรักษาศีลห้าคอยเตือนตัวเองเประยะระยะไปนะเวลาทําผิดศีลจะได้รู้สึกละอายใจนะไม่ต้องไปขอกับพระก็ได้นะการที่สือส่อศีลไปขอกับพระนะั้เป็นแค่หาพยานมารู้เห็นให้พระเป็นพยานเราปฏิญาณตัวว่าเราจะรักษาศีลถ้าจะผิดศีลก็เผื่อจะละอายใจบ้างนะถ้าไม่ละอายใจเลยไปขอกับพระก็ป่วยการไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนะ ้เราตั้งใจของเราเองก็ได้นะว่าเราจะรักษาศีลห้าไว้ศีลห้ามีคุณมีประโยชน์มากนะถ้าเรามีศีล น, นะสมาธิจะเกิดง่ายถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะไม่มีจะเสียอย่างรวดเร็วเลยเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยตัวอย่างที่เราเคยอ่านมาอย่างเรื่องพระเทวทัตเทวทัตเคยมีสมาธิสูงนะมีอภิญญานะมีฤทธิ์มากห่อได้อะไรได้นะแต่ว่าพอเสียศีลไปเท่านั้นเองนะสมาธิก็เสื่อม จะมาเฝ้าพพระเจ้าต้องให้คนหามาเฝ้าแล้วไม่ใช่หอมาเฝ้าแล้วศีลมันทําให้มีสมาธิง่ายเพราะว่าคนที่มีศีลเนี่ยใจมันจะสงบง่ายอย่างถ้าเราคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทําร้ายคนอื่นใจไม่สงบใช่ไหมถ้าเราเมตตาคนอื่นนะไม่คิดทําร้ายใครอะไรเงี้ยใจเราสงบง่ายเราคิดจะขโมยของเขาคิดจะโกงหน่วยงานคิดจะทําอะไรต่ออะไรอย่างน้น อ, อย่างนี้นะใจเราไม่สงบ ถ้าเราคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เอาของใครนะของเรามีล้นเหลือเราแจกบ้างอะไรบ้างใจเรายังมีความสุขมากขึ้นอีกคนที่สันโดษในคู่ของตัวเองนะใจก็มีความสุขความสงบนะคนนอกใจสามีนอกใจภัญญาอะไรอย่างนี้นะไม่ค่อยสงบหรอกจิตใจเพราะฟุ้งซ่านคนโกหกหลอกลวงจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนมีสัจจะเนี่ยจิตใจสงบคนที่เล่าเมายาเพราะฟุ้งซ่าน ธรรมตาก็ฟุ้งอยู่แล้วยังไปกินเล่าเมาอยา่างให้ฟุ้งหนักขึ้นอีกงั้นศีลเนี่ยนะถ้าเรารู้จักอย่างดีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าศีลเนี่ยเป็นของดีมันทําให้จิตใจเราสงบง่ายเงั้นพวกเราตั้งใจไว้ก่อนนะศีลเนี่ยเป็นของดีที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยนี่มีศีลจะรวยเร็วด้วยซ้ํำไปท่านบอกศีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทานะได้ยินบ่อยๆมีศีลที่ไปสุขติกอชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น จะมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นคนไม่มีศีลเสียทรัพย์สมบัติเยอะอะไรเงี้ยนี่นนค่อยๆฝึกนะถ้ตั้งใจไปใจเราจะสงบง่ายถ้าจากนั้นเรามาฝึกจิตฝึกจิตให้มันตั้งมัน่นฝึกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวการฝึกจิตฝึกใจของเราเนี้ยทำไปเพื่อสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะทำไปเพื่อให้จิตใจได้รับความสุขความสงบอันนี้เรียกว่าการทําสมถะกรรมฐาน อย่างที่สองนะถ้ามาฝึกจิตใจของเราให้ตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะถอดถอนตัวเองออกมาจากปรากฏการณ์ทางรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายจิตจะถอยตัวออกมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะถอยออกมาเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะถ้าจิตมันมีสมาธิอย่างที่2นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเท่านั้นเอง เมื่อจิตเป็นคนดูได้เนี่ยมันจะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูนจิตถลำลงไปแนบในกายแนบในใจไปเพ่งกายเพ่งใจจะไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้หลักของการทำวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญานะคือการที่เราเอาจิตใจซึ่มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะโน้มน้อมมันลงไปไปดูกายมันทางานใจเป็นคนดูอยู่ต่างหาก ดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะจิตใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูความโกรธเกิดขึ้นนะก็จะเห็นว่นความโกรธมันเกิดไม่ใช่เราโกรธความโลภเกิดขึ้นก็เห็นแค่ความโลภมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราโลภความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราสุขจิตมันจะเป็นแค่คนดูอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญานะนี่ในขั้นของการจะฝึกจิตฝึกใจนะฝึกยังไงให้สงบฝึกยังไงให้จิตตั้งมั่นสมาธิถ้ามีสองชนิด สมาธิชนิดที่1จิตอยู่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารามณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวธรรมของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายสมาธิอย่างหลังเนี่ยเรียกว่าลักคนูปนิชฌานพวกเราชาวพุทธเนี่ยอาภัพมากเลยไม่เคยศึกษานะไอ้ อ, อาเขาคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาชับคิดกันแบบเนี้ยไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิบางอย่างนั่งให้ตายนะก็ไม่เกิดปัญญาหรอก นั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญาหรอกสมาธิบางชนิดนะีไม่ต้องนั่งโดยซ้ำไปยืนเดินนั่งนอนได้ทุก ท, กทกอิริยาบถนะแต่จิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้ตั้งมัน่นไม่ไหลาตามอารมณ์ไปแล้วเกิดปัญญาได้งั้นเราอย่าไปมักง่า ย, ยาไปเชื่อเชื่อตามๆแลนะนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันนะต้องสมาธิถูกชนิดนถึงจะเกิดปัญญาสมาธิมี2ชนิดเคยมีคนถามหลวงตามหาบัวนะ ออกโทรทัศน์นนะั้นบกว่าหลวตาครับถ้าผมนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไตรภพที่หมท่านไปเป็นไตรพบท่านบอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันการทําสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งนะไปสู่เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือความสงบการจะเจริญปัญญาก็มีเป้าหมายอยาีกอย่างหนึ่งมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งคนละอันกัน น, ะนี่พวกเราถ้าได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดนะ ได้ทางสมาธิที่จิตสงบก็ได้ได้ทางสมาธิที่จิตไปเดินปัญญาด้วยยิ่งดีใหญ่ถ้าเราได้สมาธิเดินปัญญาอย่างเดียวนะเราภาวนาได้บรรลุมรรคผลได้นะแต่ใจแห้งแลง้งไม่ค่อยมีความสุขในระหว่างการปฏิบัติเนะี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะเป็นพระอรหันต์อย่างที่เรียกว่าสุขาวิปัสสกะในแบบแห้งแลง้งแต่ถ้าเราได้ควบทั้งสองอย่างนะั้นก็สบายถึงเวลาต้องการพักผ่อนก็ทําสมาธะ ถึงเวลาจะเจริญปัญญาก็ทําไปอีกจเจริญปัญญานะทําได้ทางสองอย่างดีที่สุดนะถ้าทําได้อย่างเดียวน ะ, จะเจริญปัญญาไว้ถ้าทําแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ไปไหนหรอกหลวงพ่อเองพูดเต็มปากเต็มคํำนะว่านั่งสมาธิมากๆไม่ทําให้เกิดมรรคผลหรอกพูดเต็มปากเต็มคำด้วยความมั่นโอขมั่นใจมากเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่ 2, 2นะ7ขวบตั้งแต่2 5งพอยสองเสร็จขวบ นั่งสมาธิตั้งแต่เจขวบจนถึงอายุ29คิดดูสินั่งอยู่22่สิบปีเรื่องสมาธิเราคล่องแคล่วเลยเพราะว่า22ปีที่ทําสมาธิแต่มันเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในรมเดียวนิ่งๆอยู่เฉยๆนะหายใจไปหายใจไปน้ำลมก็ตื้นๆๆนะพอเวลาเราหายใจในพอจิตสงบน้ำลมมันจะละเอียดเข้าเรื่อยๆเวลาจิตของเราหยาบลมหายใจก็หยาบนะ อย่างเวลาเรามีราคาแรงๆรู้สึกไม่หายใจแดงเวลามีโทสะแรงๆหายใจแดงนึกออกไหมเวลาเจิตใจสงบจิตใจสบายน้ลมหายใจจะเบาลงเบาลงประณีตถ้าเราฝึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเนี่ยพอจิตเริ่มสงบน้ลมมันก็เบาลมมันเบานสุดลมมันหยุดลมมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยมันกลายเป็นแสงกลายเป็นแสงสว่าง แแสงสว่างนี้เราสงบ อ, อยู่กับแสงนี้ก็ได้นะหรือเราอยากออกเที่ยวเล่นข้างนอกอะไรนะส่งขี่ออกนอกไปดูนรกดูสวรรค์ดูอะไรก็ใช้ลังสีใช้แสงนี่ออกไปเที่ยวจิตเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครบอกได้หรอกแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรมากกว่านั้นได้แต่ความสุขความสบายจนกระทั่งมาเจอหลวงพุ ด, ดุลท่านสอนให้เดินปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยหมายถึงให้เรา คอรู้กายรู้ใจมันทํางานไปนะเราจะรู้ได้เราต้องมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นสมาธิมีสองอันนะอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในโรมันเดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานอันที่สองจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเห็นรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไหลผ่านไปเหมือนเราดูละครร่างกายแสดงละครเราเป็นคนดูจิตใจแสดงละครนั้นะก็มีคนดูอยู่ข้างในนี้คนดูเป็นคนดู ในสวนก็จะเห็นในทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเหมือนดูละครตัวละครไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนั้นตัวธาตุตัวขันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวละครที่มาแสดงให้ดูเท่านั้นเองอย่างนี้นสมาธิแบบเดินปัญญาน h i วิธีฝึกวิธีฝึกสมาธิชนิดที่จะให้จิตสงบอยู่ในรมันเดียวในห้องนี้นะเมื่อกล่าวก่อนก็มีท่านรองท่านไรนะท่านนั่งสมาธินะ่ะสงบอยู่ในรมันเดียวเมื่อกี้เจอท่าน ท่านก็บอกว่าถ้าพยายามปรับนะให้มีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ว่ายังไม่คล่องเพราะว่าติดสมาธิแบบสงบในโารมั์เดียวมันานแต่ก็ยังบุญนะท่านพยายามปรับนะ่ยถ้าอย่างนั้นได้โอกาสจะได้มากได้ผลในชีวิตนิ้มก็มีถ้าติดสมาธิสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีทางได้มากได้ผลอะไรหรอกเป็นไปไม่ได้เลยมันนิ่งนะวิธีฝึกสมาธิชนิดที่เราจะสงบนะทํำยังไงนะพวกเราเรียนไว้ก็ดีนะ เพราะว่าพวกเราวันๆเนี่ยมีเรื่องเครียดเยอะนะถ้าเราเรียนสมาธิได้ทั้งสองอย่างนีดีที่สุดเลยวิธีที่เราจะมาฝึกจิตใจให้สงบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนจิตใจเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้ถ้าบังคับใจเราได้นะเราก็คงสั่งแล้วจงมีแต่ความสุขนะอย่าไปคิดเรื่องนี้ให้คิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปคิดเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้สักเรื่องหนึ่งนะจิตใจเป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ จิตใจของเราเนี่ยเหมือนเด็กดื้อนะเหมือนเด็กสนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่วิธีที่เด็กมันสนนะเราจะทำให้เด็กมันหายสนเนะี่ยเราต้องหาของที่เด็กมันชอบใจมาล่อมันอย่างเด็กมันสนหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านนะไปเฮหากับเพื่อนตลอดเวลาเราอยากให้เด็กอยู่ในบ้านนะเราก็ต้องหาอะไรมาล่อเด็กนะให้เด็กมันเพลิดเพลินอยู่ในบ้าน ถ้าเด็กตะกละนะเราก็เขนมให้กินเด็กมีความสุขให้กินหนมอยู่เนี่ยไม่ไปไหนเดี๋ยวก็เอานอนให้กินเดี๋ยวก็นนี้ให้กินก็ไม่ไปสนที่อื่นหรือเด็กมันชอบเล่นเกมนะให้มันเล่นเกมอยู่ในห้องเนี่ยไม่ไปไหนวันวันเพราะมันมีความสุขมันพอใจที่จะทําอย่างเนี้ยจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนะีเราต้องรู้จักเลือกว่าเราจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแล้วก็ใช้กรรมฐานอย่างนั้นได้ คนไหนพุทโทแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธทั้งวันนะทำอะไรก็พุทโธไปเรื่อยนั่งรถไปก็พุทธโทไปนะจะกินข้าวก็พุทโธไปจะนอนอยู่ยังไม่หลับก็พุทโธไปนะอาบน้ําอาบท่าขับถ่ายอะไรพุทโธของเราไปเรื่อยๆถ้าจิตมันชอบพุทโธนะเราพุทโธพุทโธจิตมันมีความสุขอยู่กับพุทโธจิตมันก็ไม่หนีไปที่อื่นมันก็สงบก็แค่นั้นเองหลักก็แค่นี้แหละ รถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขหายใจออกรู้สึกตัวมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจทั้งวันเลหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขพอใจมีความสุขกับการรู้ลมหายใจแล้วใจจะไม่หนีไปที่อื่นหรอกใจก็จะสงบอยู่กับลมหายใจนะลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่ใจมันไปเกาะไปเกี่ยวไปรู้เข้าเรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจนะคนไหนดูท้องพองยบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยบไป ใจมีความสุขอยู่กับท้องใจก็ไม่หนีไปที่อื่นนี่เคล็ดลับของการทำสมถะนะการทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยอยู่ที่ว่ารู้จักเลือกอารมณ์ที่มันมีความสุขถ้าจิตมีความสุขในอารมณ์ใดจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์มันนั้นไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นใช้หลักอย่างนี้พวกเราไปสำรวจตัวเองดูถ้าอยากจะฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งไปทดลองดูบางคนคิดถึงความตายนะ คิดถึงความตายทั้งวันเลยชีวิตนี้ไม่แน่นอนอย่างนั้นอีกเนี้ยคิดไปแล้วจิตใจสบายก็มีความสุขมีความสงบเมื่อคนคิดถึงพระพุทธเจ้านะแล้วมีความสุขจิตใจก็สงบเมื่อคนทําบุญทําทานมานะเช่นไปปล่อยปลามาไปอะไรเงี้ยไปไถ่ชีวิตโคกระบือไปบริจาคโลหิตอะไรเนี้ยนี่เราไปทําทานมานะพอเรามานึกถึงว่าโอ้เราได้ไปทําทานเราได้บริจาคโลหิตนะหรือเราได้ไปปล่อยปลาอะไรอย่างเนี้ย ได้ไปทํำสาธารณาประโยชน์เลยเนะี่ยพอเราคิดถึงการกระทําที่ดีงามของเรานะการเสียสละอะไรต่างๆของเราใจก็สงบและเคล็ดลับในการทําสมาธิที่ให้ใจสงบไม่ใช่เรื่องยากเลยนะอย่การคิดถึงทานที่เราทําแล้วนะเ้าเรียกว่าจากานุสตินึกถึงการเสียสละของเราเราตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเลยนะ เราทำสมาธิอย่างอื่นไม่เป็นอ่ะแต่ว่าเรารักษาศีลได้อย่างดีเลยไม่ค่อยดังพลอยดังพลอยน้อยที่สุดเวลาเราคิดถึงศีลขึ้นมานะใจเราก็อิ่มเอิบมีความสุขใจก็มีสมาธิขึ้นมาในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านบวชแล้วก็ภาวนาไม่สําเร็จเลยเจอท่านเสียใจท้อแท้ใจมากนะแล้วก็วันหนึ่งท่านก็เอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยรู้สึกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ ว่าปาดขอตัวเองนะยังไม่ทันจะตายดีท่านก็ น, นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่จริงนะตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยเรารักษาศีลอย่างดีเลยพอท่านคิดว่าท่านรักษาศีลมันอย่างดีไม่เดินไม่ดังพลอยเลยนะใจมีความสุขขึ้นมาแล้วแช่มชื่นท่านได้สมาธิขึ้นในขณะ น, นั้นเลยพอท่านได้สมาธิขึ้นมาแล้วท่านเห็นร่างกายกําลังจะตายใจท่านเป็นคนดูนะสุดท้ายบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนะ ทําสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขไปสังเกตตัวเองดนะูเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขเงี้ยไม่สงบอะ่ะเล่นหุ้นแล้วมีความสุขนะอย่างนี้ไม่สงบอะ่ะเดี๋ยวก็แ่งขึ้นแ่งลงต้องดูอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างพุโทโธพุโทโธนี่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเราชอบพุโทโธเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขนะคิดถึงพระเจ้าแล้วก็พุทโธไป ไปถึงพูดของท่านไบบนี้เดี๋ยวก็สงบนะหรือรู้ลมหายใจแล้วสบายใจเห็นร่างกายหายใจเราก็สบายใจนะแป๊บเดียวก็สงบแนะ้วนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ว่ารู้จักเรื่องอารมณ์นะไม่ใช่ตามคนอื่นเขานะเขาพูดโธเราก็จะพุดโธเขาทําอย่างนู้นก็จะทําอย่างนู้นอย่างนี้ตามเข้าไปไม่ได้กินหรอกต้องดูตัวเองกรรมาฐานเนี่ยเป็นเรื่องทางใครทางมันตัวใครตัวมันนะไม่ซ้ํารอยกันหรอกของใครของมัน เน่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่มีความสุขแล้วตอนนี้เราจะเอามาใช้กระทา ง, งานก็ได้เวลาเราทํางานเครียดๆนะแลก็มันเบรกตัวเองชั่วโมงหนึงสักห้านาทีนะทำงานเครียดประชุมมากเลยเนี่ยนะถึงเวลาเราก็หายใจสัก5นาที5นาทีไม่มีเวลาสามานาทนีเดินไปห้องน้ำนะํำระหว่างไปห้องน้ำนี่หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปพุโทโธไปอะไรอย่างนี้ ถ้าทำไปได้เรื่อยๆนะเราได้เบรกได้พักเป็นระยะระยะเนี่ยเวลาทํางานจะไม่เครียดจะไม่เหนื่อยมากนะหรือถ้าชํานาญดูจิต ด, ดูใจนะเราทํางานเหนื่อยๆนี่ยเรารวมจิตเที่ยพักวุบเดี๋ยวนะเราจะทํางานมีเรื่องมีแรงทํางานต่อไปอีกเป็นชั่วโมงเลยแล้ว เ, าเอาไว้สําหรับพักผ่อนนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยแล้วก็จิตใจจะมีเรื่องมีแรงก็ดีถ้าทําได้ มีสมาธิชนิดหนึ่งก็คือใจเป็นคนดูเราต้องฝึกฝึกดูทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้นะเคยพุทโธก็พุทโธต่อไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบรู้ลมหายใจมาก่อนเคยรู้ลมหายใจแล้วจิตสงบก็มารู้ลมหายใจไปแต่ไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตสงบนะรู้เพื่อจะรู้ทันจิตตรงที่รู้กรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วค่อยรู้ทันจิตเนี่ยจะทําให้เราได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา ธรรมชาติของจิตนะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดดูออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะบางทีคิดเรื่องอื่นด้วยซ้ําไปไม่ใช่คิดเรื่องที่ฟังเนะี่ยใจมันทํางานสลับไปเรื่อยใจมันเนี่ยวิ่งไปได้6กช่องวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหู วิ่งไปทางจมูกไปดมกลิ่นนะวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายนะวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดไปนึกนะทางใจมันมีช่องทางที่มันวิ่งได้ทั้งหกช่องนะถ้าเราจะดูทีเดียวหกช่องนะดูยากช่องช่องที่ใจมันจะหนีไปเนี้ยมีมากเรามาดูช่องเดียวก็พอนะช่องที่ใจหนีบ่อยที่สุดนะคือช่องของใจคนะือหนีไปคิดจะเกิดบ่อยที่สุด ยังตื่นนอนขึ้นมายังไม่ทันลืมตายังไม่ได้วิ่งไปทางตาไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยยังไม่ได้วิ่งไปทางหูใช่แต่ใจคิดไหมทันทีที่ตื่นนอนคิดไหมอย่างนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าวันนี้วันอะไรคิดได้ว่าวันนี้วันจันใจก็แห้งแล้งหน่อยคิดได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจก็สดชื่นหน่อยเนี่ยใจมันคิดตลอดให้เราคอยรู้ทันเวลาใจหนีวิคิด เพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดเรารู้ไม่ต้องดูหกช่องดูมันช่องเดียวเนี่ยแหละช่องของใจที่ใจหนีไปคิดเพราะช่องนี้จิตทํางานบ่อยที่สุดไปหนีไปคิดเนี่ยบ่อยที่สุดถึงแม้ไม่มีตานะคนตาบอดคนหูหนวกอะไรนะจิตก็คิดไม่เลิกหรอกแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้เดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดเรารู้นะ รู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนบ่อยถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติตรงนี้แหละเราจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยนะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้ทําสมถะเอาไว้ทํางานทางโลกส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้ทํำวิปัสสนา แล้วในขณะที่เกิดอริยามรรคเกิดอริยผลเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยแต่เป็นสมาธิที่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักพวกเราจะรู้จักแต่สมาธิที่สงบนิ่งๆไปนั้นต้องฝึกให้มากนะฝึกทุกวันทุกวันทําอะไรไม่เป็นสวดมนต์ไว้ในใจก็ได้นะนโมตสาภคภวะโตรหะตั ว, ตวสัมมาสัมพุทธัสสะสวดไปเรื่อยๆสวดรับพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็คอยรู้ทัน ถ้ า, ารู้ทันว่าใจหนีวิคิดเมื่อไหร่นะตัวรู้ใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าเราได้ใจที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยตอนเนี้เราจะพร้อมที่จะทํำวิปัสสนาละถ้าเราไม่มีใจเป็นผู้รู้แล้วก็ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเราจะไปคิดเอาตัวรู้ผู้รู้นะกับผู้คิดเนี่ยปรับข้างกันเมื่อไหร่เป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่เป็นผู้รู้เมื่อไร่เป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่เป็นผู้คิดนั้น Sabrina. เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้น แต่อยู่ช่วงขณะเดียวก็คิดใหม่คิดใหม่รู้อีกแล้วเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นเป็นขณะขณะนะใจไหลไปแล้วก็รู้สึกก็รู้ตัวแวบหนึ่งเดี๋ยวเขไหลอีกแล้วรู้สึกก็รู้สึกตัวได้แว บ, บหนึ่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะรู้สึกตัวเป็นขณะขณะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขณะขณะไอสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยก็พูดภาษาไทยง่ายๆนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว คนเราทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลาใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเราลืมเนื้อลืมตัวนั้นพยายามรู้สึกตัวไว้นะพยายามรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอ่ะให้ให้มันจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองเมื่อไหร่ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้การเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญา เพราะนเราพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต้องซ้อมต้องฝึกจิตใจของเราถูกฝึกให้ออกนอกให้หลงตลอดเวลานะไม่เคยถูกฝึกให้รู้สึกตัวเท่าไหร่หรอกเนี่ยตอนเด็กๆนะเรานอนแบะเบาะอยู่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยพวกผู้ใหญ่มาเยี่ยมเราก็าชอบมาจ๊เอ๋จ๊เอ๋อะไรอย่างเงี้ยนะใครเคยเป็นไหมไปเยี่ยมเด็กเล็กๆ เ, เ, เกิดใหม่ไปเจ๊เอ๋จ๊เอ๋นะใครเคยทําอย่างนี้บ้างมีไหมยกมือสิเจ๊เอ๋จ๊เอ๋ฝึกให้เด็กส่งจิตออกนอก มีมีกรรมที่จะต้องรับนะจะเรียกเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋นี่แหละฝึกให้เด็กลืมเนื้อลืมตัวเราก็รับวิบากนะเราก็โตมาเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวแล้วก็สอนเด็กให้มันไม่รู้สึกตัวต่อไปเคยมีไหมไปเจอเด็กเจอใครต่อใครรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเคยไหมเคยมีแต่เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋หลอกเด็ก แล้วใจใจของเราเนี่ยมันเคยชินที่จะออกไปข้างนอกไม่เคยชินที่จะอยู่กับตัวเองนั่นเราต้องมาฝึกนะพยายามรู้สึกตัวเองบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวใจไหลไปละมันก็ลืมกายลืมใจรู้ทันว่ามันไหลไปก็กลับมารู้สึกตัวสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นสมาธิสาคัญในพระพุทธศาสนา พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าเราไม่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจแล้วลมันจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ไงมันลืมไปแล้วนะงนั้นพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยนะยามร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกนะ <negotiating> จิตใจนะมีความสุขมีความทุกข์คอยรู้สึกนะ จิตใจดีจิตใจร้ายโลคโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้สึกคอยรู้ไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆใจของเราเป็นแค่คนดูแล้วรู้สึกไปต่อไปมันจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันเป็นแค่วัตถุอันหนึง่งที่จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุที่จิตไปรู้มันเข้านะ ความสุขความทุกข์ที่เกิดก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นนามาทำอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแทรกอยู่ในร่างกายบ้างแทรกอยู่ในจิตใจบ้างแล้วมันก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่เรามาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็คอยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนจนวันหนึ่งเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอก นะเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุหรือมาดูจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราคอยรู้ทันไปเรื่อยมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะโลบโกรธหลงขึ้นมาก็รู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ซื่อๆแบบนี้เลยนะอย่างท่านสอนบอกดูกราพิสูจทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคานะสอนง่ายๆนะของง่ายๆนี่แหละสำคัญมาก งั้นเราพยายามมารู้สึกนะร่างกายเรหายใจออกเรารู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนค่อยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกจิตใจเฉยเฉยรู้สึกจิตใจดีรู้สึกจิตใจโลภโกรธหลงรู้สึกจิตใจขี้เกียจจิตใจกังวลจิตใจอิจฉาริษยาอาฆาตอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยคอยรู้ความรู้สึกในกายความรู้สึกในใจบ่อยๆยิ่งรู้สึกบ่อยยิ่งดี คนทั่วโลกเนี้ยมันลืมกายลืมใจตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจเพราะงั้นไม่มีทางบารู้มากผลเลยเราพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจให้มากที่สุดเลยนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราจิตใจนะั่นก็เป็นของไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์ห้ามชั่วมันก็ยังชั่ว มีแต่ของเกิดดับไปมีแต่ของบังคับไม่ได้ส่วนร่างกายนะมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกเนะี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเราในกายในใจมากๆนะนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่ากายนี้ใจนี้นะไม่ใช่ตัวเราหรอก ร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาต네ุเป็นธาตุอย่างหนึ่งจิตใจก็เป็นธาตุธาตุรู้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ความสุขไม่ใช่คนความทุกข์ไม่ใช่คนกุศลไม่ใช่คนโลภโกรธหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยสุดท้ายก็รู้เลยตัวเราไม่มีหรอกนะมีแต่ธาตุมีแต่ขันตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีก็ได้พระโสดานะจิตยอมรับตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบัน <sentir. noon>. <ignon>. เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปมันจะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นแหละอยู่ในกายในใจมั่จเกิดอริยมรรคเป็นชั้นชั้นไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยจิตหมดความยึดถือในร่างกายนะนั่นะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีก็เหลือแต่จิตดวงเดียวนะยังยึดถือจิตอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยถึงวันหนึ่งปัญญามันแทงตลอดลงไปมันเห็นเลยว่าตัวจิตเองเนี่ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะ เจตใจที่ว่าเป็นเราเป็นเรามาก่อนนะตกอยู่ใต้ใจรักนะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะแล้วสิ้นทุกข์กันตรงนั้นหนึ่งพ้นทุกข์กันตรงนั้นเนึ่งนะสิ้นชาติสิ้นพบจบโธมจรรันทร์กันตรงที่ว่าปล่อยวางจิตได้ต้องฝึกเอานะ้ไม่ฝึกทําไม่ได้อันนี้เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนี่คือศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะนนงนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเท่านั้นเองว่าด้วยความทุกข์และความพ้นทุกข์ อะไรที่เรียกว่าทุกข์รูปนามขันหานี้เรียกว่าทุกข์อะไรเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เรื่องการเจริญไใจศึกขาไปะนะฝึกฝนตัวเองให้มีศีลให้มีจิตตั้งมั่นเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของรูปกายของใจเงินเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงก็เบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือพอคลายความยึดถือก็ห ล, ลุดพ้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ปรัชญา ไม่ใช่เรื่องที่คิดเล่นๆ เ, เอาไว้เถียงกันเล่นๆแต่เป็นศาสตร์ศาตร์หนึ่งจริงๆนะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะพวกเราคนไหนเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างล้มีไหมยกมือซื้อพวกเราเคยดูออกไหมว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยบางทีก็รวมกันบางทีก็แยกกันตัวนี้ใครเคยเห็นแล้วบ้างยกมือซื้อบางทีจิตที่เขไหลเข้าไปเกาะ อ, อารมณ์บางทีก็แยกออกมาใช่ไหมตรงที่จิตแยกออกมารู้สึกสบายไหมอ่านะนี่แค่จิตปล่อยอารมณ์นะ ถ้าจิตมันปล่อยกายเนี่ยมันจะสุขกว่านี้ขนาดไหนถ้าจิตมันปล่อยจิตได้มันจะอัศจรรย์สักแค่ไหนจิตมันปล่อยอารมณ์ได้เรายังรู้สึกว่าอัศจรรย์เลยเห็นไหมจิตของเราคลุกกับอารมณ์ตลอดเวลาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะได้ฟังธรรมนะฟังซีดีไปสังเกตจิตสังเกตใจของเราไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตกับอารมณ์แยกออกมาจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันได้โอ้ใจมันโล่งเลยนะมีความสุขกว่ากันเยอะเลย นะค่อยฝึกค่อยปฏิบัตินะจะเห็นความจริงเห็นร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแท้จริงจิตปล่อยร่างกายไม่ไม่เกาะร่างกายเหมือนที่ไม่เกาะอารมณ์นะแต่ว่าอันนี้แทนที่จะไม่เกาะอารมณ์นะกลายเป็นไม่เกาะร่างกายมันมีความสุขที่มหาศาลนะแล้วสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือจิตปล่อยวางจิตได้มันปล่อยตัวมันเองได้ด้วยมันสลัดคืนตัวมันเองได้ด้วยนะตรงนี้แหละหน่าทึ่งที่สุดเลยนะ มันมันไม่รู้อยากเทียบใรนะันเป็นบรมสุขแนตะ่ว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นภาวะที่พ้นไปจากรูปนามพ้นไปจากกายจากใจนะพ้นไปจากความปรุงแต่งพ้นไปจากความอยากนะใจมีความสุขที่มหาศาลทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษามีความสุขอิ่มเอิบของมันอยู่นั้นนะไม่ต้องคอยดูแลไม่ต้องคอยรักษามันอีกต่อไปนะแต่ถ้ายังไม่ถึงจุด ที่ว่านี้นะก็ต้องคอยดูมีสติรู้กายรู้ใจให้มากนะดูไปบ่อยๆฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆเนี่ยยังไงก็ยากต้องฟังแล้วฟังอีกนะเอาซีดีไปฟังมีคนจำนวนมากไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะฟังซีดีอย่างเดียวนะบางทีไปเจอไปต่างจังหวัดไปแล้วนะไปแวะปั๊มน้ามันไปเลยเจอเข้ามาไหว้มาอะไรมาขอบคุณนะชีวิตเขาเปลี่ยน ชีวิตเขาเปลี่ยนได้เคยจมอยู่ในกองทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงไปเยอะเลยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยทุกข์หนักหนักก็เหลือทุกข์นิดเดียวก็ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเบาถามว่าฟังซีดีมานานแค่ไหนเดือนหนึ่งสองเดือนไม่ใช่ต้องนานนะธรรมะของพระเจ้าเหมือนยาวิเศษที่อัศจรรย์มากเลยถ้าเรา ฟังเราเข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติเราตามรู้ตามดูกายดูใจของเราไปด้วยนะใช้เวลาไม่นานนะชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยแล้วเราจะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นะไม่ใช่เขาเป็นมนุษย์ก็เป็นอยู่เขาบ้างนะก็กินข้าวก็โตขึ้นมานะไปเรียนหนังสือไปทํางานมีครอบครัวมีลูกมีเมียต่อไปก็แก่ก็ตายเหมือนคนอื่นเขา หาสาราหาแก่นสารที่แท้จริงให้กับตัวเองไม่ได้เลยนะมีชีวิตที่ไม่ได้ต่างอะไรกับสัตว์ทั้งหลานยะสัตว์ต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละนกใช่ไหมนกใครเครเห็นนกไหมพอมันโตขึ้นหน่อยนะพ่อแม่มันก็มาสอนให้บินมันก็เหมือนพวกเราไปเรียนหนังสือนะ่นั้นพ่อแม่มันก็สอนให้บินนะพอบินเป็นหากินเป็นใช่ไหมเหมือนเราเลี้ยงลูกโตแล้วก็ให้ไปทํามาหากินเอาเองมันก็ไปหาคู่หาอะไรของมันอีกนะ สุดท้ายมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปในชีวิตของเรานะถ้ามันวนเวียนอยู่แค่ว่ากินข้าวขึ้นมาโตขึ้นมานะไปเรียนหนังสือมาทํางานมีครอบครัวนะทํามาหากินแทบตายเลยสุดท้ายก็ตายนะมันจะไม่มีอะไรต่างกับสัตว์ธรรมดาแน่นอนเราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้อย่างวิเศษที่สุดแล้วอย่าละเลยโอกาสอันรเสริฐของความเป็นมนุษย์เสนะอย่างน้อยไปฟังซีดีของหลวงพ่อบ่อยๆนะ แล้วเราภาวนานของเราแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆนะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเไม่ต้องเชื่อใครเลยนะวันนี้เทศ45นาทีพอสมควรที่เทศทีละ45นาทีว้าหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยสมองคนนี้รับข้อมูลได้ต่อกันได้45นาทีแล้วนะันแหละนานกว่านั้นจะเริ่มไม่ไหวแล้วอ่นะว่าม า, มา มัประการครับหลวงพอ่อของผมนี่เห็นไหวบ่อยๆอ่ะครับอเห็นเห็นไหวบ่อยๆไหวที่ไหนครับเออนี่ยมันไหวอยู่กลางอกนะอาจารย์มหาบัวสอนนะทาแท้กเกิดขึ้นกลางอกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยเห็นไตรลักษณ์ครับตรงที่ไหวนะั้นมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ใจมันยังไม่สรุปครับ <He en S 1> นะเห็นไหมมันไหวได้เองครับไหวเองครับเออไหวเองนั่นแหละแสดงอนัตตาเห็นไหมว่ามันไม่คงที่ เดี๋ยวก็าไหวแรงเดี๋ยวก็ไหวเบาครับ่ยมันไม่คงที่มันเป็นอนิจจังใจรักนะมันแสดงอยู่แล้วแต่จิตยังไม่สรุปดูบ่อยๆปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนครับเออถ้าเหมือนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างนี้เพ่งนะครับเพ่งครับเออให้รู้ทันครับจิตถึงฐานหรือเปล่าจิตไม่ถึงฐานครับให้รู้ทันนะใช้ได้แล้วล่ะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อถามเนี่ย นามศการครับหลวงพ่อคือผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาก็ดูจะดูกายนําก่อนแล้วค่อยถ้ารู้ก็จะดูดูจิตตามมาใช่ดูดูกายก็ได้นะดูจิตก็ได้ดูกายดูกระดูกเลยหรือดูอะไรดูร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนไหลเคอได้ก๋อไดนั่งนะเห็นร่างกายกระดูกกดิบกระดูกดิบนะไม่ใช่เราหรอกแต่เราไปขดดูเพื่อฝึกนั้น แต่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยพัฒนาครับยังไปติดเพ่งสินะนะถ้าเราดูร่างกายกระดูกกระดิกใจเราจ้องไว้ใจเราเพ่งใจเรานิ่งๆอยู่นะอันนี้เราเพ่งกายนะเราไม่ได้รู้กายหรอกการรู้กายจะเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นมันเคลื่อนไหวนะดูแล้วก็วางใจเหมือนเห็นคนอื่นไปแต่ถ้าดูแล้วไปจ้องตลอดเวลาจ้องอะไรเงี้ยไม่เกิดปัญญา มันเป็นเพ่งกายไปเพราะคุณติดเพ่งไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ปฏิบัติก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเคลื่อนไหวก็จะใจโลครับกิเลสเกิดบ่อยไหมเกิดบ่อยครับโอ้ดีมากลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสเนอะ <laughs> ถ้าบอกว่าไม่มีกิเลสเลยมันเห็นไม่เป็น ก็มีภาวานาตามรูปแบบบ้างครับทำได้ทุกวันยิ่งดีนะใจจะได้พลังครับถ้าเราไม่มีพลังนะไม่มีกำลังไม่ตัดไม่ตัดอริยมรรคไม่เกิดนั่นทำในรูปแบบได้ทุกวันมีประโยชน์มากเลยครับใจบฟุ้งซ่านไหมหรือใจสงบใจฟุ้งซ่านครับใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันนะบังคับให้สงบก็ไม่ได้ก็รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านใจออกนอก มาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมรู้สึกครับออใจวิ่งมาหาหลวงพ่อรู้ทันนะครับใจเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดนี้เห็นหรือยังใจที่เคลื่อนไปมาเห็นเห็นบ่อยครับเออดีความรจริงใจไม่ได้เคลื่อนหรอกชิดไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับนะกลั บ, บ, บมาที่นี่เกิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็ดับไปเกิดที่หูแล้วก็ดับแต่มันเกิดต่อกันเร็วเราเลยรู้สึกเหมือนมีตัวเดียววิ่งไปวิ่งมาเลยบอกสันตติน ปิดบางอ น, นิจจังไว้เราไม่เห็นว่าเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูสันตติคือการที่มันเกิดต่อนเนื่องกันรวดเร็วทําให้เรารู้สึกว่าจิตมันคงที่อยู่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อครับนัสการค่ะหนูส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะหนูเป็นคนชอบส่งจิตออกนอกตลอดนะอ่<ล>ะดี ด, ดีที่รู้นะแล้วก็ตลอดเวลานหนูจะ จะเคยชินกับรูปแบบในการกําหนดยุคพองอะคะอ่ะแล้วก็หนูจะไม่เคยฝึกรู้ตัวมานะคะจนได้มาฟังซีดีหลวงพ่อตอนวัย่ังหนึ่งปีนะคะแล้วก็เริ่มตามรู้ดูประมาณแปดเดือนนะคะหนูก็เริ่มเห็นว่าหนูเป็นคนชอบหลงะค่ะแล้วก็ระหว่างวันตลอดค่ะอืแล้วก็เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อตอนขับรถนะคะตลอดเวลาะคะ่ะแล้วก็ชอบเอชอบดูชีพจรนะคะเป็น คิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่มีความสุขได้แต่เวลาดูชีพจรนะอย่าให้จิตเราไหลเข้าไปที่ชีพจรนะถ้าใจไปเกาะสบายอยู่กับชีพจรได้สมถะนะมันก็เหมือนพองยุบแล้วใจเราไปเกาะที่ท้องได้สมถนะล้วใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายเห็นชีพจรมันเต้นใจเราเป็นคนดูสบายสบายร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายที่พยักหน้าเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะค่คยๆรู้สึกไป เออหนูว่ารู้สึกว่าตัวเองยังแยกธาตุแยกไขไม่ได้ค่ะแล้วก็ชอบเริ่มเห็นว่าตัวเองอยู่ความทุกข์สั้นลงนะคะแล้วก็เวลาทํารูปแบบหนูชอบนั่งแล้วหลับแล้วก็ฝุงค่ะฝุ่งไปกับความคิดเองค่ะแล้วก็ชอบกําหนดว่าจะต้องนั่งได้เท่าในเท่านี้อย่าเงี้ยค่ะแต่ก็ทํายิ่งมากขึ้นก็นั่งไม่ได้เลยเนี่ยค่ะก็เลยมาฟังซีดีหลวงพ่อแทนค่ะแล้วก็ซีดีเฉยๆไม่ได้นะฟังแล้วต้องดูของจริง ดูกายดูใจทางานมีคนหนึ่งนะอายุมากแล้วกเกษียณเป็ น, นานแล้วนะแล้วก็ทำงานบ้านเป็นแม่บ้านเนี่แหละกวาดบ้านไปรู้สึกไปทำงานซักผ้าไปรู้สึกไปนะเ ข, เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัวเราไม่มีอะไรเงี้ยฝึกจริงๆคอยรู้สึกมัน่ะนะนะรู้สึกไปเรื่อยไม่ได้ยากอะไรหรอกคณถามคือว่า ตอนนี้หนูจิตเริ่มตื่นหรือยังรับอยู่ยังติดเริ่มตื่นแล้วละแต่มันฟุงงนะนฟ้งเก่งนะถ้าจิตมันฟุ้งเก่งเนี่หาเครื่องอยู่ให้มันอยู่นะจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้อยู่เพื่อให้สงบนะถ้าหวังว่าจะสงบจะยิ่งฟุ้งใหญ่เราพุโทโธเล่นๆไปพุโทโธพุโทโธแล้วใจเราไหลไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธใจไหลไปคิดแล้วรู้ทันต่อไปพอไหลคลิกนะมันก็รู้ทันมันก็ไม่ฟุง้งละจิตใจมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเอง มาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ดูไกายไปของหนูดูกายเยอะๆนะมันจะติดใจดูกลยแบบได่ใช่เดินนั่งนอน<ช>ได้ได้ได้ดูกลนะเรารักกายมากมัสการครับหลวงพ่อ อ, อ, อ, อยากเล่นถามหลวงพ่อว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ยังต้องทำงานที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้นะครับนอกจากเรื่อง การตามดูจิตที่หลวงพ่อแนะนําแล้วเนี่ยฮะมันจะมีธรรมะหมวดไหนที่หลวงพ่อพอจะแนะนําให้เหมือนกับมันจะได้เครื <โ Visual. S 2> อ, DE อก UM ูนกันทำโลกทางทำอยู่อันแรกเลยถือศีลห้าให้ได้ถ้าศีลด่างพ้อยไปก็ตั้งใจรักษาใหม่นะจะไม่ให้ด่างพ้อยเลยเป็นไปไม่ได้หรอกสําหรับคารวาะบางทีอย่างเรานั่งอยู่หน้าห้องนา ย, ยานะนายเขาก็สั่งให้ใครโทรมาบอกว่าไปไประชุมนะเนี่ยอ๋อมีไม่ใครเคยเจอทําไ <unlikely S 2> งอ่ะ หลวงพ่อก็เคยนะสมัยก่อนรับราชการนายสั่งนะเราก็จะรักษาศีลั้นพะอโทรศัพท์มานะนายอยู่ไหมนายสั่งไว้ว่าไปไประชุมครับโอ้ลำบากนะคาวานะอสอะดศีลให้สะอาดหมดจดยากมากเลยแต่ว่าถ้าศีนขาดเราก็ตั้งใจรักษาเอาพยายามให้ดีที่สุดนี่ข้อที่หนึ่งรักษาศีนห้าไว้ข้อที่สองทำในรูปแบบ ทำกลางคืนทำแล้วหลับหมดเรี่ยวหมดแรงทําทำกลางวันกินข้าวแล้วมีเวลานิดหน่อยก็ต้องทําหลวง็่อทำนะกินข้าวเสร็จแล้วไปเดินเมื่อก่อนอยู่ในทําเนียบทําเนียบรัฐบาลกินข้าวในทําเนียบเสร็จนี่เดินไปวัดเบญจมาศบาพิธบ้างวาดมมาัดสมณนัตบ้างไปถึงก็ไปไหว้พระแล้วก็เดินกลับที่จริงเดินจงกลมแต่ถ้าเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยคนไม่เข้าใจมันจะว่าเราบ้าเดินทําไมบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยเราอยู่ในโลกของคนบ้าเราต้องเกรงใจคนบ้าไว้นะไม่งั้มันจะว่าเราบ้านมันบาปกรรมล้วก็ทำเป็นว่าเราเดินไปไหว้พระอะไรนะไหว้เสร็จแล้วก็เดินกลับมาก็ได้เวลาทำงานแนละ้วจริงๆปฏิบัติอนะ่ะงั้นเราพยายามทำในรูปแบบการทำในรูปแบบทุกวันนะจะทำให้จิตเรามีพลังมากขึ้นมากขึ้นหรือถ้าเราไม่มีเวลาทำยาวๆนะห้านาทีก็ยังดีแต่ห้านาทีบ่อยๆ อย่างชั่วโมงหนึงเบรกตัวเองสักหนาทนะีชั่วโมงหนึ่งเบรกตัวเอง5นาทีหาจังหวะเบรกอยู่อย่างเวลาผู้บริหารเนี่ยเคล็ดลับเลยเมื่อก่อนแตมาทํางานสภาความมั่นคงและงานประชุมทั้งนั้นนะเราสังเกตไหมเวลาพวกที่เข้าประชุมพูดเนี่ยพูดบ้างวาหนึ่งเนื้อมีแค่เนี้ยนะตอนที่เขาอารามปรบทนะเราก็ดูกายดูใจของเราไปพอเขาเ ข, ข้าเนื้อหาเราก็ค่อยฉลาดไปฟังรับรองไม่ตกหล่นหรอก คนที่พูดแล้วได้เนื้อหามีไม่มากหรอกจะพูดยาวงั้นเราเก็บเด้กเก็บน้อยนะพวกนี้รวมๆแล้วถ้าชั่วโมงหนึ่งเราทำได้ห้านาทีวันหนึ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราตื่นอยู่กี่ชั่วโมงวันหนึ่งคูณห้านาทีเข้าไปเกินชั่วโมงหนึ่งนะเราอย่าดูถูกนะห้านาทีรวมๆแล้วเกินชั่วโมงส2บสองชั่วโมงห้านาทีสบสองชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงแล้ว เราไม่ได้ตื่นแค่สิบสอชั่วโมงนึงออกไหมงั้นเบรกตัวเองนะทำงั้นก็ได้หรือตื่นนอนให้เร็วขึ้นแล้วทำเวลาที่เหลืออันที่หนึ่งรักษาศีลห้าอันที่สองทำในรูปแบบนะทำให้สม่ําเสมอจะมีพลังอันที่สามจเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเวลาทํางานไม่ใช่เวลาจเจริญสติเวลาทํางานตั้งใจทํางานไปแต่พอทํางานแล้วขี้เกียจเขาไม่ได้จ้างมาขี้เกียจ ขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ทันว่าขี้เกียจทำแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อะปลายปีอยากได้หลายๆขั้นรู้ว่าอยากก็ได้มาดีใจรู้ว่าดีใจไม่ต้องทําเป็นอุเบกขาดีใจก็รู้ว่าดีใจไม่ต้องชั้นเฉยชั้นเป็นนักปฏิบัติได้สองขั้นชั้นอุเบกขาไอย้ยางไงก็แกล้งเกินไปไรู้ซื่อๆรู้เข้าไปสรุปหนึ่งถึงสี่ห้าสองทำในรูปแบบสามเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าทําได้อย่างนี้นะ โอกาสที่จะได้มากได้ผลในชีวิตนี้ก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีศีลห้าตัดไปเลยไม่มีทางแล้วถ้าไม่มีการทําในรูปแบบนไม่มีพลังจเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปแต่แป๊เดียวก็ไม่มีแรงแนละ้วต้องทำเวลาทําในรูปแบบเนะี่ยถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากก็ทําความสงบทําสมถะวันไหนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงนะก็แยกธาตุแยกขันดูกายมันนั่งใจเป็นคนดูหัดจเจริญปัญญาไปนะ ให้ฝึกไปเมื่อเช้าก็มีพระมาะจากวัดกรรมฐานนั้นมาคุยก็สอนท่านว่าอย่างท่านหักฟุตโธหายใจนะแล้วก็พิจารณาร่างกายเมื่อพิจารณาร่างกายเ น, นี่ยเป็นอุบายอย่างครูบาอาจารย์นั่งสมาธินะออกจากสมาธิแล้วมาดูกายผมคนเล็บฟันหนังแยกไปด้วยนะนี่มันสลายตัวไปร่างกายหายไปหมดเลยนะเหลือจิตอันเดียวพอสมาธิถอยออกมานะ ร่างกายก็ปรากฏมันจะมีความรู้สึกแจมแจ้งในใจเลยว่ากายนี้กับใจเนี่ยคนละอันกันมันจะแยกขันออกนเพราะฉะั้นอย่างที่ท่านพี่นากรายอ่นะสุดท้ายขันมันจะแยกขันแยกได้ก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันทํางานของมันได้เองแล้วเป็นอุบายแบบหนึ่งเราก็ดูเอาจะปฏิบัติอะไรเอาที่พอสมควรกับเราเองหมดหรือยังวันนี้เดี๋ยวมีคําถามนึงครับก็ คือเนื่องจากเมื่อสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งปรับแนวเพราะว่ามีพี่มารีแนะนําว่าให้ให้ให้ลองสวดมนต์แล้วก็ดูดูจิตมันหนีไปเนะครับก็เท่าที่ลองมาดูก็ไม่ได้ทํานานนะทําก่อนนอนซึ่งมันจะได้แป๊บเดียวแล้วมันก็คือรู้สึกเลยว่าอย่างสวดอิติปิโส่นี่จะได้แค่ไม่เกินสามรอบเราจะรู้เลยว่ามันมันหลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ทํามาประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจว่ากิเลสหลอกหรือว่าเรารู้สึกตัวเองไหมว่ามีความรู้สึ ก, สกว่าใจมันหยุดกับเนี่องตัวมากขึ้นมันได้พลังเลยนะก็จิตเรามีกำลังมีสมาธิเพิ่มนะใจก็ไม่ฟุ้งไปนะดีไปทำอีกถ้าสวดกลางคืนแล้วง่วงนะก็สวดกลางวันมือตื่นนอนให้ไวขึ้นนะสวดนะนมรร ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะอยาก จ, จะถามหลวงพ่อว่าในขณะที่จิตมีพลังนะจ๊ะคะแล้ว หลังจากนั้นแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างทั้งๆที่ไม่ทําในปัญญาเ<ต>จ้าค่ะน ะ, จะเจริญปัญญาไปจิตมีพลังใหมายถึงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้นะถ้าจากนั้นเราก็ดูกายดูใจไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตใจอยู่ส่วนจิตใจค่อยๆดูไปได้เห็นไห้ตัวนี้พยักหน้าเนี่ยค่อยๆรู้สึกไปนะเห็นไหมใจสงสัยแล้วใจอยากพูดเห็นไหมเนะี่ยก็รู้ไปนะรู้ลงปัจจุบันไปได้แล้วเราก็จะเดินสติตลอด ได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้เวลาส่วนใหญ่ของเรามักจะขาดสตินะานๆ<ช>มีสติทีไม่ได้ตลอดเราเราไม่ใช่พาาาระอรหันต์ทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้เจ้าค่ะกล่าวนวสการค่ะหลวงพ่อก็เออข่าวที่แล้วหลวงพ่อบอกหนูว่าจิตไม่ยไม่ถึงฐานนะคะขณะขณะนี้ได้ไหมคะฮะ<า>ขณะ น, นี้ยจิตไปอยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่า อย่างกรณีที่เราเห็นตัวกายที่ที่เขาตื่นเวลาหัวใจเต้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่งดูดูต้องดูสบายๆน ะ, ะใจเราสบายโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างหลวงพ่อเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกนะใจเราสบายๆไม่ไม่ได้ไปรวบใจเข้ามาก่อนนะควรไปรวบใจเข้ามาใจทือๆแล้วก็มาดูกไป อย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนั้นผิดต้องสบายของหนูตอนนี้เพ่งแรงไปขณะนี้นะมันตื่นเต้นปกติไม่ได้เหมือนอย่างนี้เนาะไม่เหมือนอย่างนี้ใช้ได้จิตขณะนี้ถึงฐานไหมถ้ามันแยกออกจากตัวกายถูกไหมคะหมายถึงว่ามันต้องแยกออกมาจับกันคือถ้ามันถึงฐานมันตั้งมั่นนะตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันถึงจะมาแยกกายแยกใจได้ มันไหลไปคิดหรื อ, อยังตอนเนี้ยี่ถ้ามันไหลไปคิดมันก็ไปรวมเข้ากับความคิดเมันไปยักหน้าแล้วเราไปจ้องร่างกายมันก็ไปรวมเข้ากับร่างกายะ mm hmm. เราดูแปๆกายก็อยู่ส่วนกายความรู้สึกนึกคิดก็อยู่ส่วนความรู้สึกนึกคิดอย่าจริงจังนะักต้องสบาย <Okay. S 2> <laughs> จริงจังไปอย่าเครียดนะ ทำกรรมฐานถ้าทำเครียดเครียดทำผิดนะเราทำเพื่อความวลทุ่มไม่ทำแล้วทุกข์กว่าเก่าอีกนะลำดับต่อไปขอรัฐนาหลวงพ่อนําพวกเราเจริญสติเพื่อเป็นตัวอย่างในการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันค่ะหาเจริญสติเหรออยู่ในห้องนี้เจริญสมาธิไหม <laughs> เจริญสติหัวเราะอยู่รู้สึกไหมเนยะเดี๋ยวใจวอกแวกไปหมดห้องนะ เราลองทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคนไหนถนัดกรรมฐานอะไรทําอันนั้นแล้วจิตนีไปจากกรรมฐานนั้นนั้นคอยรู้ทันเอาไว้คนะอยรูที่เนี่ยฝึกได้ดีนะหลวงพ่อจําได้เขาก่อนที่พากันนั่งนะนั่งได้เนี้ยบมากเลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะในหน่วยงานทั้งหลายฮะเพราะเรานั่งกันได้ดีมากนั่งรู้สึกตัวได้ดีมากเลยอันนั่งไปจะหายใจอะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ อย่าให้เสียแชมป์นะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวดูใหม่ๆใจเราจะสายไปสายมานะส่วนใหญ่ใจจะสายไปสายมาเราก็รู้ทันว่าใจมันใสยไม่ห้ามใจมันหนีไปคิดนะรู้ทันว่ามันหนีไปคิดแล้ว คอยรู้ทันจิตเลยนะเวลาจิตมันเคลื่อนไปคอยรู้ทันนี่มันจะไหลไ ป, ไป เ, คลเคลื่อนเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปนิ่งซึมไปเรื่อยเอย่าให้ซึมพวกเราดูออกไหมว่าจิตมันไม่นิ่งจิตส่วนใหญ่นะสายไปสายมาให้เรารู้มันว่ามันสายอย่าไปบังคับมันนะถ้ารู้ทันไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยสงบของมันเองแล้วดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่าจิตมันทำงานได้เอง เดี๋ยวมันก็ไปคิดได้เองเดี๋ยวมันก็สายของมันเองจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกบางคนก็เริ่มเคมลิ้มลวนะถ้ามันเคลิ้มลืมตาขึ้นมาหายใจแรงขึ้นนิดหนึง่งเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มสติขึ้นดีนะส่วนใหญ่เท่านี้ก่อนนะยังรักษาแชปไม่ได้ หายากนะหายากหน่วยงานที่ภาวนากันได้ขนาดนี้นะทำสมถะเพิ่มขึ้นบ้างนะบางคนทิ้งสมถะมากไปทําความสงบบ้างนะทาความสงบจิตใจมีแรงแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตั ว, แ ล, วแล้วก็ดูกายดูใจทํางานจเจริญปัญญาอย่าอยู่เฉยนะทําได้ดีนะสมาธิตกลงกว่าไกลๆนิดหน่อย อ่อนลงนิดหน่อยฟุ้งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการเจริญปัญญาคล่องตัวขึ้นนะดูกายดูใจได้ชัดขึ้นนะเห็นมันทำงานเห็นไหมมันหนีไปคิดละนะไปเกือบหมดห้องอะ่ะนะเบื้อไปนะเอาละสมควรแก่เวลานะเชิญกรดน้ำนะพวกเรา เราได้ทำทานเราได้ฟังธรรมเราตั้งใจรักษาศีลได้ทำสิ่งที่ดีแล้ววุธิตส่วนบุญส่วนกุศลก็จะเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเนื้ถาวาริวะหาปุราปิริปุเรนตีสากรางเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิจฉุต สเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยัาฐานิโชติระโสยัถาสพีติโยวิวัชชันตตสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิตจังวทธาปจายโนจัตารโธรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลัง อนุโมทนาท่านถูกๆท่านเนย